มังกรหยกภาคสองตอนที่สิบแปดตอนแก้วสย่อยันจันทราพิชิตศึกเหมันจะดูยามดีดูอากาศวิบผลิตยิ่งทั้งทั้งที่บุพภาวสสันเพิ่งทิ้งดอกที่บานสะพรั่งใบเขียวสดเริ่มแห้งโรยรา บุปภาวสันต์บานเหลือเพียงบา ง, งดอกอยู่ปลายกิ่งลมพัดชลยมาบางเบาเลยพัดจนโออย่างสางที่คำนวณงานอยู่ยามค่นคืนนี้ต้องลุกออกมาเดินกลับไปกลับมามองขึ้นเหนือท้องฟ้าคลายขุนคิดอย่างนักบุพภาทิพย์จึงเอ่ยถามขึ้นอย่างห่วงใหท่านเจ้าสานัก สองสามวันนี้ข้าน้อยเห็นท่านหมกมุ่นคำนวณดวงดาวแล้วทออถอนใจใหญ่เป็นเช่นไหลท่านจึงดูกระดกุ้มท่านไม่เคยเป็นเช่นนี้เลยข้าน้อยพอะจะช่วยอะไรได้ไหมโอหยางสั่งหันกลับมาฝืนยิม้มแล้วเดินออกสู่ลานไลกการเวลาชี้มือขึ้นไปยังกลุ่มดวงดาวบนฟากฝ้า เจ้าดูด ว, ดวงดาวหมู่นั้นสิฉายแสงส่องประกายอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองมั่นลัวอีกทั้งดวงดาวอีกสองดวงขนาบอยู่ซ้ายขวาข้าคำนวณมาสองสามคืนนี้หนักใจข้ามากกลุ่มดาวนั้นคือดาวหมาป่าดาวลาหูและดาวเกศดาวร้ายสามดวงนี้มาเบียดบังดาวประจาเมืองดาวประจำเมือ ง, องทอแสงริบรีลงมา ตามวิชาเก้าวังนบพเก้าเมืองหลวงจะไม่พ้นผลจะเกิดเพภัยนองเลือดในแผ่นดินไม่ช้านานนับจากนี้ไปอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเป็นแน่แท้บุพภาทิพย์มองดวงดาวเหนือท้องฟ้าเมืองมั่นกัวและยกนิ้วขึ้นนับขยับไปมาท่านเจ้าสำนักจากการคำนวณเหตุการณ์อะไร น่าจะเกิดขึ้นราวกลางปีหน้าดูน่ากลัวยิ่งแล้วท่านจะแก้ไขอย่างไรโอหยางสัางไม่ต่อสายตาทอดมองต่ำลงสู่สายน้ำไหลเอื่อยเป็นประกายเลื่อมด้วยต้องแสงจันทร์ดวงจันทร์ปรากฏอยู่ในสายน้ำ น, นั้นทันทีทันใดความคิดแลบแล่นสู่แก้วสุริยันจันทา ใช่แล้วใช่แล้ ว, ลวซื้อแปรเคยสั่งว่ายามบ้านเมืองมีภัยแก้วสุริยันจันทาจะช่วยได้ข้าจะพยายามไขปริศนาเพื่อช่วยบ้านเมืองให้ได้บุพาทิพย์ถ่ายทอดคำสั่งข้าให้เราสิทธิ์ทั้งน้อยใหญ่เร่งลุกสู่เมืองมั่นขวัวสืบดูเหตุการณ์บ้านเมืองมารายงานขา้านี่คือความหายน้าของประเทศชาติดาวหมาป่า ขึ้นเหนือท้องฟ้าย่ำเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศชาติและเมื่อไรมีการเคลื่อนไหวของท่านใจเสี่ยงให้ทุกท่านมารวมพลกันที่สำนักไต้หวัผาทันทีณเมืองมั่นกัวนครหลวงของเสียมป้อยามนี้คึกขักการค้าก้าวไก่ไปยังแดนไก่ทั่วโลก ชาวต่างเมืองต่างชาติเข้าออกค้าขายอย่างสุขใจโดยเฉพาะการซื้อขายที่ดินการเดินการเงินเดินสะพัดผู้คนมากหน้าหลายตาต่างเปลี่ยนอาชีพเป็นนายหน้าค้าที่ดินและพัฒนาประเทศก็เปลี่ยนจา ก, กเกษตรกรเป็นชาวนิกเร่งรุดพัฒนาการอุตสาหกรรมการต่างๆดูเหมือนผู้คนมีความสุขยิ่งนะักยามนั้น เมกดำบนท้องฟ้าดูหนาแน่นไม่ปรากฏแม้แสงจันทร์ที่เคยส่องประกายระยิบระยับพร่าพรายสนหิมะวิ่งกระหือกระหอบเข้าสู่สำนักไตบุปผาเย่แล้วเย่แล้วท่านเจ้าสำนักเหตุร้ายเกิดขึ้นที่เมืองหลวงท่านไตเจียงกงเขายึดอำนาจท่านใจเสียงและปลดท่านออกจากตำแหน่ง ด้วยไม่ชอบในการบริหารบ้านเมืองของท่านบัดนี้เมืองหลวงเปลี่ยนแปลงผู้นำและท่านไต้เจียงกงกำลังเลือกเฟ้นคนใหม่โอหยางซังได้แต่ทอดถอนใจนี่เป็นพรฟ้าลิขิตแฉดาวหมาป่าทอแสงแผ่กาเห็นทีจะหลีเลี่ยงไม่พ้นการนองเลือดเราสิทธิสานักไต้บุกผา ต่างเข้าชุมนุมในห้องโถงใหญ่พูดพร้อมกันว่าท่านเจ้าสำนักพวกเราจะช่วยบ้านเมืองได้อย่างไรเชิญท่านสั่งการเถอะโอหยางสั่งมองดูเหล่าสิทธิ์อย่างชื่นชมในความรักชาติรักบ้านเมืองและกล่าวขึ้นว่ า, วาดีดีดพว ก, พวกท่านมาพ ร, มพร้อมกันก็ดีดแล้ว พวกเรามารวมใจกำนวณวิชาวบสิ่งกันเพื่อไขความลับแห่งแก้วสุริยันจันทากันเพราะสือแปบบบอกข้าไว้ว่าเมื่อบ้านเมืองมีภัยให้นำออกมาช่วยแผ่นดินพวกเรานั่งลงทำวิชาบัดเดี๋ยวนี้เถอะอย่ารอช้าสภาพห้องโถงใหญ่เงียบสนิทผู้คนต่างนั่งสมาธิล้อมวงเป็นวงกลมใหญ่ โดยมีแก้วสุริยันจันทราอยู่ท่ามกลางโอหยังสัง่งคํานวณวิชารวมธาตุรมเห็นจําคิดรู้ยังไม่หยุดยัง้งหนึ่งชั่วยามผ่านไปแก้วสุริยันจันทราทอแสงแรงกล้าส่องประกายขึ้นสู่ฟ้าเหนือเมืองม่านกว๋วบัดโดนปากดดาวทอแสงแรงกล้าขึ้นสองดวงประกายแสงแก้วสุริยันจันทรา ทั่วทั้งห้องสว่างสวยัยจนเหล่าสิทธิ์มิอาจนั่งต่อไปได้ต่างลืมตาขึ้นมองตามแสงนั้นอย่างอัศจรรย์ยิ่งท่านเจ้าสำนักดวงดาวสองดวงบนท้องฟ้าขนาบดาวห้องเต้แผดแสงกล้าโอหยางสั่งขยับนิ้วมือคำนวณดวงดาวตามวิชาเก้าวังนโรเก้ายิ้มออกมาอย่างดีใจอา ดวงดาวทั้งสองคือดาวบุญเคียบแช่และดาวบุญเคียบแช่ฟ้าดินยิ่งเมตตานี่เป็นเพราะบารมีแห่งองค์พระประมุขดาวทั้งสองขนาดข้างดาวห้องเตะพวกเราไม่ต้องหวงแล้วเพราะจะมีเอกบุรุษมาช่วยแก้ไขเหตุการณ์บ้านเมือแม้ดาวมาป่าจะทอแสงแผกกล้าก็จริง ดาวหมาป่าจะส่งผลให้ผู้นำของชาติเสียศัจดิ์เมื่อผู้นำทองชาติเสียศั ก, กดิดาวประจำเมืองจา ก, กระเทือนเกิดการนองเลือดในภาคกลางข่าวว่าอีกไม่นานเมืองหลวงจะต้องสูญเสียชีวิตผู้คนประมาณ300ค น, คนเพื่อเส้นความวิบัติแห่งชะตาการรมแต่เหตุการณ์จะพิกผันด้วยบารมีแห่งฝ่า เพราะประมุกจะได้ดาวบูและดาวบุญมาปกครองบ้านเมืองคื้นสู่สันติสุขหน้าที่ของพวกเราคือต้องเร่งลดคำนวณหาบุคคลที่จะเป็นดาวบูเคียกแชร์และดาวบุญเคียรแชร์กันเถิดผู้คนมากมายต่างออกมาใช้โยโ่ร้องด้วยความยินดีปรีดาแม้จะผ่านเหตุการณ์ลายแรงหนองเลือด ด้วยความเข้าใจผิดต่างๆของผู้บริหารบ้านเมืองทําให้เกิดการประหัตประหารผู้คนในเมืองหลวงขึ้นแต่ทุกสิ่งก็สงบลงอย่างรวดเร็วดาวบูเคียกแช์คือท่านกงกงผู้นํากําลังพลเข้าช่วยเมืองหลวงให้สงบดาวบุนเคียกแชก็คือขหบดีอาหนันผู้มีชื่อเสียงในวงการค้า ทั้งในชาติและต่างชาติตาาตผู้คนนับหน้าถือตาเมืองมั่นกัวนี้กับคื้นสู่สความสงมุสุข ด, ด้วยบารมีรมแห่งองค์พระประมุกนั่นเองเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรอีกโปรดติดตามตอนต่อไป 放下颠倒梦想，放下云烟，放下空与色，放下悬念。多一物，却添了太多危险；少一物，坦诚词汇少。